ข้าราชการชัดชัยแล้วก็เพื่อนสา ม, มีทุกท่านอะเจริญในธรรมญาติธรรมทุกคนก็ไม่ค่อยได้อยู่วัดแต่ก็วัดไม่ได้หายไปไหนเนาะ <c oughs> มีมีพระแล้วก็แม่ชีแล้วก็ญาติโยมอยู่กันเป็นประจำนะ ก, ก็วัดก็ยังอยู่เนะี่ยมีแต่คนที่ไม่อยู่ มีแต่คนที่ไปไปมามานะแต่ที่จริงวัสดุกโตก็เป็นแบบนี้มามานานละนะตัวหลวงพ่อเองก็ดีพระอาจารย์เวสารเองก็ดีท่านก็บางทีก็ไม่ค่อยอยู่กับที่นะแต่พักหลังหลวงพ่อก็อยู่กับที่ามากขึ้นนะก็ทําให้มีพระมีแม่ชีมีญาติโยมมาอยู่ปฏิบัติธรรมกัน กันต่อเนื่องมากขึ้นนะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นธ ร, ธรรมดานะแต่ไปก็ไปในเนะืมเองนะืออาตมาเองไปก็ส่วนใหญ่ก็ไปตอนธรรมะบ้างหรือว่าไปจาริกดูในที่ต่างๆบ้างนะอย่างล่าสุดก็ไปที่สีตังกากับพระอาจาตุ้มนะพระสังแล้วก็พระอาจารย์ไอด้วยนะแล้วก็มีโยมตามไปด้วย ก็คงมีหลายคนที่เคยไปมาแล้วนะโดยส่วนตัวเองก็เคยอ่านเคยอ่านมาบ้างเกี่ยวกับประเทศสิริงกาแต่ก็รู้น้อยนิดหนึ่งน ะ, ะรู้ไม่มากนักคําว่าประเทศมีบทความหนึ่งเขเขียนว่าสีรางการเนี่ยเป็นเกาะแห่งศนะรัทธาประเทศสีริงการนี่เป็นประเทศที่เป็นเกาะอยู่กลางมหาสมุทรอินเดีย เป็นเกาะที่มีคนศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะเขาว่าอย่างนั้นตอนอ่านก็ก็อ่านไปอย่างนั้นแหละนะแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นจริงไม่เป็นจริงอย่างไรเพราะว่าการอ่านก็เหมือนเป็นการมีข้อมูลไว้ก่อนเนาะแล้วก็แต่ถ้าพอไปถึงจริงก็เออมันเป็นเช่นนั้นเยอะเหมือนกันอย่างเราไปถึงนะเพื่อนใหญ่ไปพักตามบ้านญาติโยม จะโยมก่อนจะให้เราเข้าบ้านก็เอาน้ามาล้างเท้าให้นะมาเช็ดมาขัดเท้าถูเท้าให้แล้วก็มาเอาผ้ามาเช็ดนะแล้วก็ปูผ้าให้เดินเข้าไปในบ้านเออนี้ก็ซึ่งเราอยู่ในเมืองไทยไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเคยเจอแต่ที่ในสายวัดป่าที่ ไปดับครูบาอาจารย์บินทบาทเสร็จแล้วลูกเสด็์ลุกหาส่วนใหญ่ก็เป็นพระหรือบางทีก็เป็นผ้าขาวไปสัมมาเนนมาลางเท้าให้ครูบาอาจารย์มาเช็ดเท้าตอนเราเคยไปอยู่ในไสายตอนนั้นก็เคยเคยทําเช่นนั้นมาบ้างก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีมันมันเป็นการลดตัวตนของตัวเองลงไปได้เยอะเลยนะตอนที่ลองทำอันนั้นนะบางทีเราก็ ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมก็ต้องมามีพิธีรีตองอะไรกันมากมายแต่ศีลกาเป็นแบบนี้ทุกบ้านนะไม่ว่าจะเป็นบ้านคนรวยไม่ว่าจะเป็นบ้านคนจนนะการล้างเท้ากันขัดเท้ากัน เ, เ, เช็ดเท้านี่ทำกันทุกทุกบ้านนะหรือว่าเราเดินไปที่ไหนนะหรือเข้าไปในที่วัดทีก็จะมีเด็กเล็กนะวิ่งมาแล้วขอกราบนะ คำวาที่เราเคยไดยิว่ากราบแทบเท้าแทบอยแทบที่เท้าจริงๆนะมือหรือบางทีก็ตีสะมาจะติดแทบเท้าวันทีก็เป็นผู้ใหญ่มาขอกราบกราบแทบเท้าจริงๆก็ก็เห็นว่าเออนี่คือศรัทธาแล้วก็หลายๆอย่างที่ได้เห็นศัทธาที่ชาวพุทธชาวศรีลังกามีต่อพระพุทธศาสนา น่าคงไม่ใช่ศรัทาที่ ต, วตัวของเราหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ใคไทที่เขาจะรู้จักแต่เขาเห็นแค่ความเป็นพระความเป็นผ้าเดืองแต่ความเป็นนักปวชก็เกิดศรัทธาละอันนี้ศรัทธา ม, มาจากไหนเนาะนะก็ไม่ได้เกิดการตั้งข้อสังเกตศรัทธาทำไมคนส่องการมีศรัทธาต่อพระที่ไม่รู้จักนะได้มากขณะนี้ มนอยู่ในสายเลือดของชาวเซนต์างกาหรือเปล่าก็าทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตนะทำไมชาวพุทธไทยเราหรือบางทีที่อื่นทำไมศรัทธาไม่แสดงออกชัดเจนเช่นนี้หรือว่าเขามีอยู่ภายในอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจนะบางคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือคนที่มีการศึกษามากๆบางที ไม่ค่อยสนใจนะพระที่ไม่รู้จักหรือว่าพระที่ไม่เคารพนะอาจจะเคารพแต่เฉพาะผู้ปราชญ์เจ้เองนับถือหรือผู้ที่มีปัญญามากแต่ถ้าใครเห็นแล้วเออในพระธรรมดาในคนที่ไม่ได้ต็มอะไรก็เฉยเฉยเหมือนๆไปนะแตบบ่นี้เขาไม่ได้จีบบ้าเราหรือว่าพวกเราจะดีหรือว่าเก่งอะไรก็ไม่รู้ดอกฟังกันไม่รู้เรื่อง แต่ศรัทธามันมีมาก่อนลนะก็เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดการกราบเกิดการไหว้เกิดการถวายสิ่งของเกิดการให้ที่พักที่อาศัย<ส>อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจนะ อ, อก็เลยคิดว่าศรัทธานี่เขา อ, อยู่คงอยู่ในประเพณีวัฒนธรรมของเขาเ อ, อ่าวัฒนธรรมที่มีมานานกว่าสองพันสามร้อปีที่รับพระพุทธศาสนามานะ ตั้งแต่ยุคพระเจ้าอโศกมหาราชสมุนธุสมณฑูตก็เป็นลูกชายของท่านแหละที่บวชเป็นพระมาเผยแผ่พนะุทธศาสนาที่สีน้ำกาไทยเราก็มีมาเช่นกันในรุ่นใกล้ๆกันนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ได้เห็นว่ามันสืบทอดต่อกันมาทั้งๆนานดังนะ น, นั้นชาวพุทธที่สีน้ำกาก็เลยเรียกว่าเปท่นมีประเพณีมีวัฒธรรม ต่อกันมาชัดเจนมากชัดเจนมากเห็ น, นแล้วก็รู้สึกผ่าพื้มใจนะ่าพื้มใจหรือแม้แต่โยมที่ไปได้วยกั น, นบางทีเขาก็พูดให้ฟังว่า แ, แม้เขาเป็นโยมไม่ได้นุ่งขาวไม่ได้โกนหัวแต่บางทีก็มีคนมากราบคล้ายๆเขาตามพระไปคนก็ศรัทธาตามไปด้วยก็เกิดอาการเหมือนคนลุกเกิดอาการคล้ายๆ แปลใจทาไมเขาถึงมีศรัทธากับตนเองเช่นนั้นด้วยกนะารกราบการไหว้ทําให้ตัวเองต้องสำรวมระวังมากขึ้นด้วยอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นศรัทธาที่มาอยู่ในประเพณีวัฒนธรรมก็ได้เรนะิอในหลายที่มันก็เป็นเหมือนคล้ายมันมีการสืบทอดต่อกันมาเนาะเด็กๆ เ, เห็นพ่อเห็นแม่ทําเห็นปู่ย่าตายายทําเขาก็ทําตามกันบ้างอย่างบางคราวไปเห็นที่ยัง พุทธคยาหรือว่าในเขตที่มีชุมชนของชาวทิเบตนะบางทีชาวทิเบตบางคนก็กราบแบบอัดทางเข้ามาดิดนะกราบแบบส่วนของร่างกายทั้งแต่สัมผัสกับพื้นลงไปนะพอพระพอพ่อแม่กราบแบบนั้นแล้วก็เหนื่อยแล้วก็พักบ้างลูกเล็กเด็กแดงที่อยู่ใกล้กลเขาก็มาขอกราบบ้างนะสักห้า น, นาทีสิบนาทีพอพระพอพ่อแม่เหนื่อย เขาก็มากราบกันต่อคือไม่ต้องมีการบังคับไม่ต้องมีการแบบเรียกว่ า, าชี้นำให้มากราบเลยแต่ตัวอย่างที่ทำนี่มันทำเป็นสิ่งที่ดีมากนั้นศรัทธาผมว่าก็เลยมัน ม, มันมาจากตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่สังคมหรือว่าบุคคลทำให้ดูมันก็เลยเป็นการสื่อทอดศรัทธาต่อขึ้นมาเรื่อย เลไม่ต้องมีการบังคับไม่ต้องมีการออกกฎแต่ศรัทธามันมาจากใจที่ที่เห็นว่าเออสิ่งที่อบรรพโธดุษได้ทำมานี่มันเป็นสิ่งที่ดีงามก็เลยทําตามกันไปด้วยอ น, นี้นั้นศรัทธานี่แสดงว่ามันก็เกิดจากตัวบุคคลเหมือนกันเนา ะ, นะตัวบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็ทําให้เราเกิดศรัทธาได้นะ บางคนก็ศรัทธาเริ่มต้นมาจากครูบาอาจารย์เห็นพระครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพก็เกิดการกราบไหว้นะเหมือนเหมือนพระอัสสชิเดินบิณฑบาตภาษารีบุตรที่ตอนนั้นยังไม่บวชเห็นพระอัสสชิบิณฑบาตก็เกิดความศรัทธาเข้าไปกราบไหว้เข้าไปขอธรรมะบ้างอันนี้ก็แสดงว่าศรัทธาส่วนหนึ่ง นะเกิดจากตัวบุคคลนะบุคคลที่ทำตนให้หน่าเคารพน่าสนใจก็ทำให้คนเกิดศรัทธาด้วยนะนั้นศรัทธาก็เกิดมาสองแบบวนะเนาะส่วนหนึ่งก็เป็นแบบสังคมประเพณีอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากบุคคลที่ทำตนให้เกิดความเคารพน่ากราบไหว้อีกบางคนอาจจะศรัทธาไม่ได้ตั้งต้นจากตัวที่บุคคลอื่น แต่บางคนอาจจะเกิดจากปัญหาของตัวเราเองก็มีนะบางคนอยู่ในสังคมชาวพุทธหรือบางทีฝรั่งตะวันตกเองก็ดีไม่ได้อยู่ในสังคมพุทธแต่บางครั้งมีวัตถุสิ่งของมากมายมีความรู้ความสามารถมากมายแต่บางคราวจิตใจมันทุกข์อ่ะมีเงินรวยเยอะแยะมีหน้าที่การงานมีครอบครัวแต่บางคราว ชีวิตก็เกิดปัญหาในครอบครัวเกิดปัญหาในที่ทำงานหรือเกิดความรู้สึกพ่องในจิตใจของตนเองเกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจพอได้ลองฝึกหัดปฏิบัติ ธ, ธรรมขึ้นมาเอา้าก็สามารถเห็นช่องทางในการที่จะลดความทุกข์หรือว่าออกจากาความทุกข์ได้นเมื่อลดความทุกข์ของตนเองได้ก็ได้เกิดศรัทธาต่อ แนวทางการปฏิบัติเห็นว่าการปฏิบัติทำเห็นว่าการที่ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนท่านบอกให้ทานี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ได้ศรัทธาก็เลยเกิดตามมาเป็นศรัทธาที่เกิดจากการมีความทุกข์หรือมีปัญหา แล้วแก้ความทุกข์หรือแก้ปัญหาได้ด้วยนะการอาศัยธรรมะมาปฏิบัติธรรมนะก็เลยเรียกว่าเออเกิดศรัทธาในพระรัตนตัยมากขึ้นไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นไหมบางทีศรัทธานี่ยมันเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆจากตอนแรกเป็นศรัทธาที่เรียกว่าทรตามตามสืบต่อกันมานะก็าถามว่าดีไหมก็ดี ถ้าไม่ใช่เป็นการหลงงมงายจนเกินไปหรือว่าศรัทธาโดยที่เรียกว่าไม่ไม่รู้ว่ า, ามันถูกหรือมันผิดอันนี้ก็แต่มันก็ดีในระดับหนึ่งนะทำให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างน้อยนะก็ไม่เรียกว่าตัวตนหรือว่ามั่นหน้าองตัวเองก็ก็ไม่มากนักนะทิฐิตัวเองก็ไม่มากนัก นะต่อมาก็เห็นตัวบุคคลหเห็นแบบอย่างที่ดีงามก็เกิดความเคารพศรัทธาหน้ากราบไหว้บางคนก็มากกว่า น, นั้นก็คือสนใจศึกษาธรรมะต่อจากผู้รู้จากสมณะที่ดีงามนะก็เกิดการเดินถูกธรรมมากขึ้นนะคือมีการยังมิตรมีครูบาอาจารย์ที่ดนะีหรือบางคนไม่ได้เริ่มต้นด้วยศรัทธานะที่ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่ได้เริ่มต้นด้วยศรัทธาที่ตัวบคุคคลแต่มีปัญหามีความทุกข์เมื่ออาศัยแนวทางนะที่พระเจ้าท่านสอนไว้มาปฏิบัติออกจากความทุกข์ได้ความทุกข์เบาลงไปก็เกิดความศรัทธาในการปฏิบัติมากขึ้นนะอันนี้แหละก็เป็นศรัทธาที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะจนถ้าหลายคนมั่นใจละ ว, ว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ใช่แน่นอนนะ เห็นสนใจแล้วว่าเป้าหมายคือมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เห็นแล้วชัดเจนว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกอย่างไรกายมันเป็นทุกอย่างไรจิตมันเป็นทุก์อย่างไรทําอย่างไรเนอเราถึงจะอ่าพ้นจากวัฏฏสงสารพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดนี้นะก็ยิงเกิดความเพียรขึ้นไปเรื่อยๆนะเกิดความเพียรที่จะออกจากความทุกข์เกิดความตั้งมั่นนะที่จะ เรียกว่าพาตัวเองออกจากความทุกข์มากขึ้นนะเป็นศรัทธาที่ไม่งอนแง่นคอนแคลนแล้วไม่หวันไ ว, ว้ละนะจะมีแนวทางอื่นที่น่าสนใจก็ไม่สนใจละนะถ้าไม่ใช่แนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางของที่พระเจ้าท่านสอนไว้ไม่หวันไ ว, ว้ละเห็นแล้วว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรนะเป้าหมายที่จะทําให้ถึงที่ทสิ้นแห่งความทุกข์คืออะไรก็เดินตามละไม่วไหวันไะว้นะอันนี้คือ ยิ่งเป็นศรัทธาที่มั่นคงไปเรื่อยๆนะหลายคนก็ออกบวชหรือบางคนไม่บวชก็ตั้งใจปฏิบัติตาบจนเข้ายเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็มีอันนี้คือศรนะัทธาเนาะมันเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นไม่เหมือนกันแต่ถ้าพวกเรามีศรัทธาแล้วมันจะเกิดความเพียร น, นะเกิดการกระทําขึ้นมานะศรัทธาคงไม่ใช่อยู่แค่ในจิตในใจนะบอกว่าเรามีศรัทธาต่อพระรัตนัยแต่ไม่ทาอะไรเลย อันนี้ก็ยังไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริงนะเพราะศรัทธาที่แท้จริงมันต้องออกมาเป็นการกระทําทางกายบ้างทางวาจาบ้างนะมันอยู่ในใจนี่แหละแต่พเพียงแต่ว่าออกมาเป็นการกระทําบ้างอย่างที่บอกว่าบางทีเราเห็นเห็นคนก็กราบไหว้พระนี่ก็คือเขามีใจศรัทธาในระดับหนึ่งเขาเลยเกิดการกราบหไหว้เ้ามีความศรัทธาในระดับหนึ่งเขาก็เกิดการจารัก สดะสิ่งของถวายบิณฑบาตทำบุญทำทานนะเขาก็มีศรัทธาในระดับหนึ่งนะถึงมารับสินถึงมาฟังธรรมะนะคนก็มีศรัทธาอีกระดับหนึ่งถึงสนใจมาปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมบางทีมันก็ไม่ง่ายเนาะบางทีมันนั่งก็ปวดมันเดินก็เมื่อยนะยุงก็เจ็บอาหารการกินก็ไม่สะดวกสบายเท่าที่บ้านนะ แต่ก็ยังมีศรัทธาที่จะมาอยู่มาปฏิบัตินะบางทีปฏิบัติไปก็ฟุ้งซ่านปฏิบัติไปก็เครียดบ้างแต่ก็ยังมีศรัทธาที่จะเดินต่อที่จะหาทางออกจากความเครียดออกจากความฟุ้งซ่านบ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่มันมีความศรัทธามากขึ้นนะจนทั่งปฏิบัติไปพอได้หลักพอได้ทางพอชัดเจนแล้วครนนี้ก็ปัญหาและอุปสรรค ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ลําบากเกินไปละเรารู้วิธีการที่จะจัดการหรือรู้วิธีการที่จะอยู่กับความทุกข์อย่าไม่ทุกข์แล้วอนะกายมันก็ทุกข์ก็เห็นมันอยู่นะแต่ไม่ไปทุกข์กับกายนะปล่อยให้ความทุกข์เป็นเรื่องของกายเ อ, อแก้ไม่ได้นะทาได้แค่บรนเทาทําได้แค่บํา บ, บัดเนะไม่ไปทุกข์แล้วเพราะยุงกัดไม่ไปทุกข์แล้วเพราะปวดแข้งปวดขา ไม่ไปทุกแล้วเพราะความแก่ความเจ็บไม่ไปทุกแล้วเพราะความตายเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องของกายนะปล่อยให้กายมันทุกแต่ใจไม่ต้องทุกนะหรือความคิดฟุ้งซ่านความรำคาญที่เกิดขึ้นในจิตใจความกังวลถึงอนาคตความคิดในเรื่องอดีตแต่ก่อนเคยมาชวนให้เราหลงไปคิดชวนให้เราหลงไปกังวลชวนให้หลงไปสุขหลงไปทุก แต่ก่อนก็คือความลำคาญมันแต่ก่อนก็อยากจะจัดการมันแต่ก่อนก็อยากจะห้ามความคิดอยากจะข่มมันแต่พอเราฝึกไปเลยเอ้ยที่จริงเราไม่ต้องทําอะไรกับมันก็ได้เนาะแค่รู้มันเฉยๆก็พอเนาะนะนะแค่รู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเนาะทําเหมือนกับพัดลมที่พัดผ่านนะเหมือนกับสายลมที่ผ่านไปผ่านมานะ พอให้มันผ่านไปผ่านมามันก das e. ็ไม das ่เป็นไรเนาะอไม่ไปทุกข์กับมันก็ได้เนาะก็เห็นเป็นเช่นนั้นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ต่อไปมันก็เป็นเพียงแค่อาการมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์มันก็เป็นเพียงแค่ความคิดนะแต่เราไม่ไปยึดว่ามันเป็นความคิดของเรามันเป็นอารมณ์ของเรามันเป็นตัวเป็นตนของเราเออมันก็ไม่ทุกข์แลเนาะไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ มันมีจิตที่มันทุกข์แต่ไม่มีเราก็เป็นเป็นผู้ยึดว่าจิตนี้มันเป็นของเรากลายเป็นตัวทุกข์ขึ้นมานะมันก็เห็นแค่นี้เนาะจิตก็เกิดการปล่อยวางเกิดการปล่อยวางอารมณ์เกิดการปล่อยวางความคิดนะจิตก็เบาขึ้นนะตัวตนก็ไม่มีอันนี้แหละนะมันก็เกิดความเพียรเกิดสติใช่ไหมืม่อมีความเพียรในทางคําพูดในการกระทํา มันก็มีสติตามขึ้นมานะสติในการรู้ทันอารมณ์ของรูปรู้ทันอารมณ์ของนามไปเรื่อยๆนะสติมันเกิดขึ้นบ่อยสมาธิก็มีมากขึ้นนะมันก็มีความตั้งมั่นของจิตนะอย่างเช่นเรารู้กายเรื่อยๆนะจิตอยู่กับปัจจุบันนะรู้กายก็ดีรู้ใจก็ดีนะรู้ทันในปัจจุบันที่อาการของกายอาการของใจจิตก็มีความตั้งมั่นนะ ความตั้งมั่นของจิตเนี่ยเรียกว่ามีสมาธินตั้งมั่นแล้วก็มีความสุขนความสุขมีความสนุกในการที่จะอยู่กับปัจจุบันในการที่จะเห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นกายมันทํางานของมันไปเนี่ยเรียกว่าเป็นสมาธินจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเห็นไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยปัญญามันก็เกิดการรู้เท่าทันความจริงของรูปความนามนี่มันสัมพันธ์กันไปเรื่อยนะ ตั้งต้นด้วยศรัทธามาจบด้วยปัญญานะอันเนี้ยมนเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอันนั้นเราอย่าดูถูกเม้แต่ศรัทธาเล็กๆน้อยๆ น, นี่มันสามารถก่อให้เกิดปัญญาได้นะศรัทธาที่เริ่มต้นจากที่ไหนก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ตัวบุคคลแต่ขอให้ศรัทธานั้นมันประกอบด้วยปัญญามันจะทําให้เราออกจากความทุกข์ได้นะออกจากความทุกข์ได้ เพราะว่าศรัท ธ, ธาก็ดีวิริยะก็ดีสติสมาธิปัญญาเนี่ยทำหมวดต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยลดละอะไรลดละรากเหง้าของความทุกข์นะรากเหง้าของความทุกข์ที่เราจะพูดอีกในยะหนึ่งก็ได้นะก็คืออะไรปัญหานะปัญหาคือความอยากนะความอยากอนะ อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาอันนี้แต่ถ้าจะพูดอีกในยะหนึ่งก็ได้ว่ามารดะทิฏฐิที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐินะทิฏฐินะมานะความถือตัวถือตนนะอัตตาความยึดมั่นในตัวตนของเราเนี่ยทิฏฐินะ ท, นะที่เราเคยยึดถือแต่พอเราลดทิฏฐิของเราลงฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ ฟังธรรมะจากผู้รู้แล้วก็ละทิฏฐิของนั้นเองเอาทิฏฐิของครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องมาแทนทิฏฐิของเราเองก็เหมือนกับคนที่เรียกว่าละมิจฉาทิฏฐิมามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแทนที่นะมานะที่เคยถือตัวถือตนว่าฉันเก่งว่าฉันรวยว่าฉันดีก็ลดลงไปตัวตนที่มันใหญ่นะอัตตาที่มันใหญ่เดินไปที่ไหนก็เบ่ง ที่ไหนก็พองอันนี้ก็จะลดลงไปนะเพราะว่าเกิดจากเออเห็นแล้วว่าเรายังมีความทุกข์อยู่เพราะว่าการยึดตัวตนของเราเองการมีมานะที่ใหญ่ที่เด่นขึ้นมาทําให้เกิดเป็นเรียกว่าตัวตนของเราขึ้นมาพอเราลดลงไปนะลดลงไปเรื่อยๆมันก็ทําให้มันเบาลงเรื่อยๆนะอันนี้แหละมันจะช่วยได้นะการปฏิบัติธรรมมัน เราก็ต้องเอาอาศัยสิ่งต่างๆหลายๆอย่างมามาให้เกิดความสัมพันธ์กันนะบางคนมีศรัทธามากก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็อาศัยศรัทธาให้มาเพิ่มเป็นความเพียรให้ไปเพิ่มเป็นสติเป็นสมาธิจี่นั่งเกิดปัญญาขึ้นมาหรือบางคนอาจจะมีศรัทธายางน้อยอยู่นะแต่มีปัญญามากมีความสงสัยมากนะ ก็ช่างสงสัยก็ช่างคิดหาเหตุหาผลก็ต้องพยายามบางทีก็ต้องวางความคิดบ้างมาสู่ภาคการปฏิบัติมาสู่ภาคของการทดลองดูนะมาลองทําดูก่อนวางความคิดวางความสงสัยมาลองทําดูก่อนทาไปแล้วนันแะมันจะเป็นการพิสูจน์ดูว่าทำไปแล้วมันเกิดผลอย่างไรนะถ้าเกิดผลในจิตใจทำให้เกิดความไม่ทุกข์ หรือลดความทุกขได้เออเนี่ยก็ศรัทธาก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่วางทิฐิของเราเองนะไม่วางความสงสัยไม่วางตัวตนของเราก่อนนะมันก็จะยากที่จะเข้าถึงความจริงได้นีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ไปอย่างไปสีนังกาก็ได้เห็นเรื่องของศรัทธาที่ที่ชัดเจนนะของชาวสีลังกานะแต่ในส่วนของ ที่ไดปคุยกับพระที่ศีลังกาบ้างเขาบอกว่าแต่ส่วนที่ยังน้อยของศีลัรษะคือการเจริญมิปัฏฐานะนะบางทีก็มีการสวดมนต์มีการนั่งสมาธิอยู่แต่ส่วนของภาคการเจริญมิปัฏฐานะนี่การเจริญสตินี่ยังมีน้อยอยู่หรือว่าแทบจะไม่มีก็ได้นะอูบอาจารย์ที่ท่านอยู่ที่นั่นน่ะท่านเคยอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นท่านบอกว่า แทบจะหาคนฝึกเจริญสติแทบไม่มีเลยนั้นเมืองไทยเราก็ถือว่าโชคดีน ะ, ะมีการฝึกเจริญสติวิปัสสนามีครูบาอาจารย์ที่ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติสามารถที่จะเรียกว่าแนะนําหรือว่าบอกกล่าวในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาได้อย่างชัดเจนมีหลวงพ่อคําเขียนมีครูบาอาจารย์หลายท่านในหลายวัดนะที่ชัดเจน ในตัวธรรมะนะสามารถออกจากความทุกข์ได้โดยทิ้นเชิงแล้วนะเป็นตัวอย่างที่ได้เห็นนะเรียกว่าเป็นบุคคลที่แสดงให้เราเห็นชัดเจนว่านี่แหละคือตัวอย่างของผู้ที่เดินตามรอยพระพุทธเจ้านะมีศรัทธาตั้งมั่นในพระนาราไตเดินทางจนะทั้งเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วมีตัวอย่างที่ชัดเจนให้เราได้เห็นเนี่ย มันยิ่งเป็นทําให้เราเกิดศรัทธามากขึ้นนะว่าเออที่จริงเมืองไทยเราเองนะประเพณีก็ดีว่าทำก็ดีบางอย่างมันอาจจะค่อนข้างเสื่อมไปบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เมืองไทยเรานะยังมีบุคคลยังมีธรรมะยังมีวิธีการปฏิบัติที่ยังชัดเจนอยู่นะให้พวกเราได้ภูมิใจว่าเออ เมืองไทยเราก็ยังมีสิ่งที่ดีงามตรงนี้อยู่นะให้พวกเราได้เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็ให้มีความตั้งใจในการทําความเพียรต่อไปนะแตไปหวังว่าจะรอทําความเพียรตอนที่แก่กวนี้นะตอนนี้ยังมีกําลังอยู่ขนาดนี้ตอนนี้ครูบาอาจารย์ยังอยู่นะให้ได้ทําความเพียรกันเถอะนะถ้ามันเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคต่างๆครูบาอาจารย์จะได้ แนะนำหลืชี้นาเราได้หรือถ้าที่จริงบางทีบางครั้งชีวิตเราประมาทเกินไปเนาะให้พยายามน้อมระ ล, ลึกถึงนะมรณะมรณานุสติบ้างนะบางทีก็ไม่แน่นะครูบาอาจารย์ยังอยู่แต่เรานี่ยอาจจะไม่อยูนะ่เราอาจจะยังไม่แก่แต่ก็อาจจะตายก็ได้นะนะเราอาจจะยังไม่ป่วยไม่เจ็บ แต่บางทีอาจจะมีอุบัติเหตุทําให้ตายก็ได้นะนะต้องไม่ประมาทในชีวิตนะนะอย่าไปรอคิดว่าจะรอบําเพ็ญบารมีไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้าถึงนู่นมรรคผลนิพพานในยุคภรีอริยเมตไตนาะถ้ารอไปเรื่อยบางทีถึงยุคพระีอริยเมตไตาก็อาจจะรอไปถึงยุคหน้าอีกก็ได้นะเหมือนพวกประเภทเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวก็เดียวไปเรื่อยนะแต่จริงมันควรที่จะต้องทําเดี๋ยวนี้ทันทีเลยนะ ทำเดี่ยวนี้ก็คือทำความเพียรด้วยความไม่ประมาทนะโดยการมีสติอยู่เสมอนะทำด้วยใจที่ปล่อยวางทำด้วยใจที่เป็นกลางทำด้วยใจที่สบายๆนะไม่ต้องว่าจะได้จะเป็นจะเอาอะไรนะทำเพื่อศึกษาตัวตนที่แท้จริงว่ามันมีจริงหรือเปล่านะเราศึกษาไปเรื่อยก็เห็นเออตัวตนที่แท้จริงมันมีไหมนะความทุกข์ที่แท้จริง มันเป็นทุกข์ของกายทุกข์ของใจหรือเป็นทุกข์ของเรานะเราทำเพื่อศึกษาตรงนี้แหละศึกษาไปเรื่อยๆนะทําเพื่อความไม่ทุกข์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ทําเพื่อความไม่ทุกข์นะโดยสิ้นเชิงด้วยอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนหรือถ้าใครทําได้แล้วหรือว่าใครฝึกฝนได้มากขึ้นพอสมควรแล้วก็อย่าอย่าเรียกว่าอย่าเอาแค่ตัวเอง คนเดียวพอเนาะเราจะมีเพื่อนที่เป็นพระพิสุสงเราจะมีแม่ชีเราจะมีอุบาสกอุบาสิกาที่คอยอุปธรรมคอยช่วยเหลือเราอยู่เป็นกันเองเราอยู่ล้วก็ช่วยกันก็ดีนะช่วยกันบอกหรือช่วยกันเป็นแบบอย่างหรือช่วยกันทำความเพียรให้ดูนะหรือถ้าไม่งั้นก็ช่วยกันสงบเย็นให้ได้สัมผัสกันนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะ ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งในการเผยแพร่พุทธศาสนาเนาะบางทีเนี่ยเราก็จะเป็นตัวตั้งต้นให้คนอื่นเกิดศรัทธาได้นะเห็นพระสำรวมระวังมีสติในการเดินบิณฑบาตในการกวาดดานวัดในการเดินจงกรมคนที่เข้ามาก็เกิดศรัทธานะหรือญาติโยมปฏิบัติธรรมหรือญาติโยมกลับไปที่บ้านกลับไปแล้วก็อารมณ์ดีอารมณ์มเย็นมีความสงบ มีความเป็นผู้ใหญ่คนที่เข้าใกล้เกิดความเย็นเกิดความสงบก็เกิดศรัทธาอ้อแม่เราไปวัดแล้วก็สงบขึ้นเนาะแม่เราไปวัดแล้วก็ไม่โมโหเหมือนเดิมเนาะเอ่ไม่หงุดหงิดเนาะไม่เรื่องมากนะเนาะอ่าเขาก็เกิดความศรัทธาละอ่าเกิดศรัทธาเออว่าแม่เรามาถูกทางละอ่ญาติเรามาถูกทางละเดี๋ยวเราจะมาทางนี้บ้างแม่ตอนนี้เขายังไม่มาแต่เขาก็คิดไปแล้วแ่ะโอ้ ถ้ามีปัญหาจะมาทางนี้แหละนะอันนี้ก็ดีนะแต่ถ้าใครทำได้มากกว่า น, นั้นชวนกันตั้งแต่ยังไม่มีปัญหามาหาทางเรียกว่ารับประ ก, กันชีวิตให้ไม่ทุกข์ก่อนก็จะดีนะบางทีอย่ารอว่าชีวิตนี้ต้องมีปัญหาแล้วค่อยมาแก้ปัญหาแต่ที่จริงตอนที่ยังไม่มีปัญหามากเนี่ยมาทำให้มันชัดเจนก่อนที่จะอตอนทีจ่จะไปเจอปัญหาบางทีมันมันยุ่งมันวุ่นนะ มันจะออกจากความทุกข์ได้ยากแต่เราฝึกปฏิบัติตอนที่ยังไม่มีปัญหาเนี่ยมันยิ่งดีนะยิ่งดีเพราะว่าอะไรร่างกายก็ไม่เจ็บไม่ปวดมากก็สามารถนั่งได้นานเดินได้นา น, นากินข้าวได้ไม่ต้องไปหาหมอนี่ก็สามารถทำความเพียรในรูปแบบได้เยอะขึ้นนะหรือว่าจิตใจมันไม่วุ่นวายเพราะความทุกข์เพราะปัญหาครอบครัวปัญหาที่ทางาน จิตใจก็จะเกิดสมาธิเกิดความตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเรารอมีปัญหาแนละ้วบางทีพอจะดึงจิตกลับมาจากความฟุ้งซ่านจากความไม่สงบนะนะแต่ความคิดได้บางทีมันก็มันวุ่นวายมันยากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะก็ทำได้นะแต่พวกเราหลายคนก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามาด้วยความศรัทธาอยู่แล้วนะศรัทธาโดยประเพณีว่าถ้รทก็ดีนะอย่าง ผู้เท่าพูทแก่เนี่ยก็เข้าสินจํำวัดมาหลายปีแล้วหรือญาติโยมหลายคนมีศรัทธาปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วเกิดจากครูบาอาจารย์เองก็ดีหรือจกเกิดจากผลในการภาวนาของตัเองก็ดีก็อนุโมทนาด้วยเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ได้ทําความเพียรเฉพก็ถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทิด